ก็เป็นเรื่องของสังขารเรื่องของร่างกายเรื่องของการเกิดแดก่เจ็บตายเรื่องของหนัตตาเรื่ให้ตัวเราของเราถ้าเราแยกใจออกจากร่างกายได้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรร่างกายก็เป็นเหมือนเครื่องมือชิ้นหนึ่งเครื่องม่เครื่องมือที่เราใช้ทําต่างๆ เครื่องเครื่องอัดเสียงนี้ก็เป็นเครื่องมืออย่างเราก็ใช้ไปเวลาเสียเราก็ซ่อมซ่อมไม่ได้เราก็ต้องทิ้งมันไปหรือเก็บเอาไว้ก็ได้เป็นที่นะลึกแต่ทำประโยชน์ไม่ได้ร่างกายของคนเราแค่เส้นเดียวันเมื่อเขาเย็บ่ายได้ป่วยก็ต้องดูแลรักษาไปเาารื่องของเขารักษาได้ก็ก็ดี ถ้าษาไม่ได้ก็ก็ดีมันดีทั้งนั้นเนี่ยเพราะว่า <c oughs> มันไม่เกี่ยวกับเราเราก็คือยใจใจคือตัวรู้ผู้ทธาตุรู้ไม่ใช่ร่างกายเป็นธาตุสีร่างกายเป็นดินน้ำเงินไฟหรือเครื่องไม้ใช้สอยอยางตา่างๆก็เป็นธาตุเป็นวัตถุเราพยายามแยก วิธีแรกก็คือต้องปล่อยต้องปล่อยวางคืออย่าไปยึดติดกับร่างการดูแลเขาไปตามตามหน้าที่ของเราเมนเราดูแลทรับสมบัติเข้าสองเงินทอง้าแต่เมื่อถึงเวลาที่เราต้องแยกกันก็ก็ปล่อย เวลาจะปล่อยนี้มันก็ต้องหาเหตุการณ์ที่ที่มาบังคับให้เราปล่อยเช่เวลาเจ็บไข้แทบป่วยมันก็เป็นเหตุการณ์อย่างที่บังคับให้เราต้องปล่อยถ้าเราถ้าเราศึกษามาเราก็จะเราก็จะรู้จักวิธีปล่อยถ้าเราไม่ได้ศึกษามาเราก็จะไม่รู้จักวิธีเราก็จะยึดติด แวเมื่อเราเรยึดติดชอบร่างกายที่เจ็บไายได้ป่วยหรือร่างกายที่จะตายไปก็จะทุกข์ทรมารยรใจเท่านั้นเองร่างกายไม่ได้ทุกข์รมารย์จากความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเหมือนกับเครื่องเสียงนี้เขาก็ไม่ได้ทุกไปจากเวลาที่เขาเสียใช้งานไม่ได้พอไม่มีเขาไม่มีควางมเมสียง น, นั่นเอง ผู้ที่มีความยุทเหตุไม่คิดก็คือการยึดท่ารู้นี้เท่านั้นแต่ว่าา่ารู้นี้ไม่มีปัญญาไม่มีสมาทิฏฐิไม่เห็นว่าตัวท่านี้เองนี้ไม่ได้เป็นอะไรกับสิ่งต่างๆที่ตัวท่ารู้นี้ไปเกี่ยวข้องด้วยเช่นนั่งตายหรือเข้าของต่างๆ หรือบุคคลต่างๆไม่รู้ว่าสิ่งที่ไปเกี่ยวข้องด้วยนั้นมีคุณสมบัติหนึ่งสองสาประการสองประการแรกก็คือไม่เทีย่ยมต้องมีการเปลี่ยนแปลงอนัตตาก็คือไม่สามารถควบคุมบังคับเขาได้ไม่สามารถสั่งให้เขาเป็นไปตามที่เราต้องการได้ เราไม่สามารถสังรากายให้สาวไปตลอดให้เป็นสาวล้านปีเป็นหมุ่มล้านปีได้เขาก็ต้องเปลี่ยนไปตามอายุวัยของเขาอันนี้จังก็คือเขาไม่เขาไม่นิ่งไม่คงที่เขามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มมีการปฏิสนธิในคันของมารดาก็ ม, มีการจเจริญเติบโตขึ้นไปตามลาดับ พอเจริญเต็มที่ก็ต้องออกมาจากคันก็เรียกว่มีการคลอดมีการเกิดแล้วหลังจากนั้นก็ได้รับการดูแลด้วยอาหารน้ำลมแล้วก็จเจริญเติบโตขึ้นาตามลาดับก็จเจริญไปเรื่อยๆโตไปเรื่อยๆจนถึงขีดสูงสุดของความจเจริญหลังจากนั้นก็จะเริ่มเสือ่อม เริ่มชลาภาพเริ่มแก่ลงไปตามลา ด, ำดำับและในที่สุดก็ถึงเวลาที่จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ตายไปนี่คือธรรมชาติของว่างกายอ น, นิจจังก็คือเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาอนัตตาก็คือเราไม่สามารถไปควบคุมบังคับไปสั่งเขาได้ทีนี้ คุณสมคุณลักษณะส่วนที่สามที่เราเรียกว่าทุกยึดทุกขังนี้มันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายมันอยู่ที่ใจที่ไปยึดติดกับร่างกายนั้นดังนั้นไม่ใช่ร่างกายของเราเองก็ตามร่างกายของคนอื่นเราก็ยังไปทุกข์กับเขาได้เช่นร่างกายของคนที่เรานำเราไปยึดติดเราไปเกิดความอยากอยากให้เขาอยู่กับเราไปทํางาน นี่กเป็นสมุทยัยเป็นภว ะ, ะตัณหาสมุทัยนี้ก็คื อ, อทุกขกระสับข้อที่สองที่อริยทยัจข้อที่สองที่ทําให้เกิดทุกข์กระสับข้อที่หมึ่ขึ้นมาในใจของผู้ที่ของใจผู้ที่ไปยึดติดกับร่างกายไม่ว่าจะเป็นร่างกายที่ตอนได้มาจากการปฏิสนธิ ในขันของมารดาหรือร่างกายของคนอื่นเช่ร่างกายของปิดามารดาสามีภรรยาบิดธิดาที่เราทุกข์กับครังนี้ก็เพราะว่าใจเรานี้ไปมีอุปทานไปยึดไปติดไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็เลยกลายเป็นอนิจจังทุกขังของนัตตาขึ้นมา สำหรับผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติจะมีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าร่างกายเป็นอนิจจังเป็นนามตาคือไม่สามารถที่จะไปอักข่าให้เขาไม่เปลี่ยนปแปลงได้เขาต้องเปลี่ยนแปลงไ ป, ไปตามกฎของอนิจจังแล้เปลี่ยนไปเรื่อยๆจนจนกว่ามันจะถึงจุดสุดท้ายของเขา ถ้าเรารู้เรามีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าเป็นอย่างนี้แล้วเราปล่อยวางเราไม่ไปมีความอยากให้เขาเป็นอย่างอื่นหรือเวลาเขาแต่ก็ไม่ได้อยากให้เขาเป็นอย่างอื่นเวลาเขาเจ็บไายได้ป่วยก็ไม่ได้อยากให้เขาเป็นอย่างอื่นเวลาเขาตายก็ไม่ได้อยากให้เขาเป็นอย่างอื่นถ้าเราไม่มีความอยากต่างๆในใจทุกขังก็ไม่เกิดความทุกข์ก็ไม่เกิด เพราะความไม่อยากนี้เป็นมากด้วยด้วยสัมมาทิฏฐิคือเห็นแล้วว่ามันเป็นอย่างนี้มันมีความเจริมีความแก่มีความตายเป็นปกติของเขาเราเห็นด้วยปัญญาคือเห็นด้วยการปล่อยวางที่เรียกว่าเห็นด้วยปัญญ า, เ ห, ญญาเห็นแล้วก็ปล่อยวางปล่อยให้เขาเ ป, ป็นไปตามความจริงของเขา เรียกวามส ม, มาธิธส ม, มาสังคโปรพเราบ่อยวางแล้วเราก็ละสมุทัยได้วเวลาหยุดสมุทัยตัวต้องเห็นที่สร้างความทุกข์อย่างให้เกิดขึ้นสร้างทุกขังให้เกิดขึ้นมาภายในใจทุกขังก็จะไม่มีอยู่ในใจของผู้ที่มีส ม, มาธิธิมีมัจก็จะ <c oughs> <c oughs> เป็นจิตที่สงบเย็นสบายมีความสุขไม่ว่าร่างกายจะเป็นอย่างไรอย่างตอนก่อนไปนรักษามันก็อย่างนั้นเวลหลังจากรักษาเสร็จแล้วก็ดูมันมันก็เป็นอย่างนั้นมันไม่ได้เป็ี่ยนระหว่างที่รักษามันก็เป็นอย่างนั้นมันไม่ได้มีอะไรมันก็ดูดูไปดูร่างกายไปดูลมหายใจก็ออกไปก็ได้ เ, เขาจะทำอะไรกับ ร, กกร ى, ่างกายก็ปล่อยเขาทำไปเราก็ดูไปก็เท่านั้นเองใจก็ไม่ยึดตักับการการเปลี่ยนแปลงหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับร่างกายเพราะมีสัมมาทิฏฐิคือมรรคเนี่ยเนอตาักมันอริจารรมทุกข์งหน้าตานี้มันมัน มันเกี่ยวข้องไปถึงอริยสัจสี่เพราะทุกขังนี่มันเป็นเป็นองค์ประกอบของอริยสัจ้อที่หนึแล้วก็ถ้าเราเห็นทุกข์เราก็จะรู้ว่ามันเกิดจากสมุทยัยเราอาจจะไม่รู้ถ้าเราไม่ได้มเดาเจอพระพุทธศาสนาเราก็จะคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาของเราเวลาเรารทุกข์นี้เราก็ ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรและมันจะดับได้อย่างไรแต่พอมีพระพุทธเจ้ามาตรัสโลภะอนิยัสิัจสิแล้วมาเผยแผ่ให้แก่สัตโลกอย่างพวกเราถ้าพวกเราศึกษาจน เ, เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ยังสามารถนําออกไปปฏิบัติจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของเราได้เราก็จะดับความทุกข์ต่างๆภายในใจของเรา ด้วยการดับความอยากต่างๆเพราะความอยากต่างๆนี่แหละเป็นต้นเหตุของความทุกข์ต่างๆภาในใจของเราการจะดับความทุกข์ต่างๆได้ดับดับความอยากต่างๆได้กๆๆด็เกิดจากการที่เราเห็นอนิจจังตานักตาในสิ่งต่างๆนั่นเอส่วนใหญ่เรามักจะไม่เห็นกันเราเห็นอะไรเรามักจะคิดว่ามันจะอยู่กับเราไปตลอด เราได้อะไรมาเร า, ม cards, เราไม่เคยคิดว่าได้มาแล้วเราจะต้องเสียนไปทั้งวันเมื่อเราต้องจเขาไปทั้งวันเราคิดว่าเราได้แล้วเราจะมีควางสุขสบายเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดไม่เคยคิดว่าเขาเป็นเหมือนยูกระเบิดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างเราได้มานี้เป็นเหมือนยูกระเบิดเวลารอเวลาที่เขาจะระเบิดใจเราเวลาที่เขาเกิด การเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเกิดการดับไปที่เราไม่ค่อยใช้ปัญญากันตรงนี้ปัญญาถูความหลงหลอกพอเห็นอะไรก็บอกเลยว่าดีเอามาเถิดเอามาแล้วจะมีความสุขแล่ไม่เคยคิดว่ามั น, มนเป็นพิษนะเมื่อมันเป็นลูกระเบิดเวลามันจะต้องระเบิดใส่เราทั้งวันไม่ช้าก็เลย ร่างกายของเรานี่ก็เป็นเหมือนลกระเบิดเวลามันก็รอเวลาระเบิดใส่เราระเบิดมากมางน้อยบ้างถึ้แค่แต่เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆบางทีรูปร่างหน้าตาก็เปลี่ยนไปบางทีไปมีประสบอุบัติเหตุทาให้กระฐานเสียอวัยวะไปเนื้อผิวเหน่วง มีสภาพเปลี่ยนไปไปนี่มันสร้างความทุกข์ให้กับเราหรือว่าถ้าเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็สร้างความทุกข์ให้กับให้กับเราถ้าเราไม่รู้ทันถ้าเราไม่ยอมรับความจริงว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วไม่ได้อยากให้มันเป็นอย่างอื่นเป็นยังไงก็เป็นไปเปลี่ยนก็เปลี่ยน ดีก so so ็ดีไม่ดีก็ดีได้ทั้งนั้นคามใดที่ยังต้องอยู่ด้วยกันก็อยู่ไปเรื่งกาจะถึงเวลาที่จะแยกทางจากกันไปถ้ารู้อย่างนี้อยู่ทุกขณะจิตหรือทุกลมหายใจก็ออกมันก็จะไม่มีช่องที่จะทำให้ความอยากนี้เกิดขึ้นได้เราต้องเริญสติอยู่ทุกเวลาเวลาที ถ้าเรามีสติแล้วเราจะรู้อยู่ทุกเวลาทีว่าจิตใจของเรากำลังคิดอะไรกำลังคิดไปในทางมรรคหรือกำลังคิดไปในทางสมุทัยกำลังคิดไปทางมรรคก็คือว่ามันเป็นอย่างนี้แหละอะไรจะเกิดขึ้นก็มันก็เกิดขึ้นได้อะไรจะไม่เกิดขึ้นก็มันก็ไปบังคับให้มันเกิดขึ้นไม่ได้ขณะนี้มันเป็นอย่างไรก็มันก็เป็นอย่างนี้แหละ เราอยากก็อยากให้เป็นอย่างอื่นนะเราจะไม่นะทุกข์เช่นเรานั่งตรงนี้เรายังต้องนั่งตรงนี้อยู่ถ้าเราไม่เกิดความอยากที่จะลุกออกไปเราก็ยังไม่ทุกข์ถ้าเรามีความอยากที่จะออกจากที่นี้แล้วออกไปไม่ได้เราก็จะทุกข์ใจขึ้นมาใจก็จะมีความกังวลกังวดัง mm. นั้นเราต้องเจริญสติแนละปัญญาอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่มีสติก็จะลอยปัญญาไม่ได้เพราะว่าเมื่อไม่มีสติใจจะลอยไปที่อื่นใจจะไม่อยู่กับปจิมันไม่ได้อยู่กับเหตุการณ์ไม่คอยสอนใจให้รับรู้ให้ยอมรับให้นิ่งกับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นพอไม่มีสติแล้วพอสัมผัสกับอะไรที่ชอบก็อยากจะได้เวลาสัมผัสกับอะไรที่ไม่ชอบก็อยากจะหนีจากสิ่ง น, นั้นไป แกวใจก็จะไม่นิ่งก็จะทุกข์ทรมานจังเวลาชอบก็นั่งนั่งนิ่งไม่ได้ต้องขยับไปหาสิ่งที่ชอบเวลาไม่ชอบก็นั่งนิ่งไม่ได้ต้องขยับหนีสิ่งที่ไม่ชอบไปเพราะเราไม่มีสติคอยควบคุมใจไม่ให้ชอบหรืไม่ชอบนั่นเองด้วยสอนใจว่ามันความชอบและไม่ชอบนีน้มันเป็นสมุทยัย เป็นภาวะตัณหาและเป็นวิภาวะตัณหาชอบเป็นก็ก็เป็นภาวะตัณหาความอยากอ้าไม่ชอบก็คือวิภาวะตัณหาความอยากระยะไม่ไม่อยากได้ถ้ามีปัญญา ก, ก็บอกว่ามันเป็นอย่างนี้แหละไม่เป็นไรมันจะเป็นอะไรมันทําใจเราไม่ได้ไม่มีอะไรทําใจเราได้นอกจากใจทําใจเองด้วยความชอบหรือไม่ชอบ แล้วตอนนี้ส่วนใหญ่ใจจะทําใจทําลายตัวเองอยู่ตลอดเวลาด้วยความชอบหรือไม่ชอบเพราะว่าใจขาดเครื่องมือที่จะคอยควบคุมใจให้นิ่งให้เป็นกลางไม่ให้ชอบหรือไม่ชอบก็คือสติปัญญาสัมมาสติสัมมาทิตฐิสัมมาสังกัปปะเช่งเป็นองค์มรรคองค์มรรคนี่แหละที่เป็นผู้ที่จะ ยึดยุดติได้หยุดความชอบไม่ชอบหยุดตัณหาทั้งสายกามาตัณหาภาวะตัณหาและวิ่ภาวะตัณห า, าหายุดด้วยสัมมาสติสัมมาสังกงัปปะทุกย่าง่ายก็คือสติปัญญาปติปัญญาก็มีหลายระดับด้วยกันระดับกุชฌกุตุชนก็มีระดับหนึ่งระดับพระอริยบุคคลสี่ท่านก็ต่างกันไป มีความีมีน้ำหนักมากน้อยต่างกันไปนมีกำลังที่จะหยุดตัญหาความอยากต่างๆได้ต่างกันไปนจึงจึงแบ่งเป็นห้าระดับในการพัฒนักระดับของผู้ชุชนด้วยเขากูุ้่มชนเราก็มีสติปัญญาแต่อยู่ในระดับที่ยังดับความอยากต่างๆไม่ได้ดับได้มาก ถ้าอยู่ในกรอบของของความสามารถของมนุษย์ของปุ้ทุชนก็คือดาบได้ในการในความอยากที่จะไปทำบาปนี้อยู่ในวิสัยของปุ้ทุชนที่พอจะทําได้ถ้าเป็นมนุษย์นี่ถือว่ามีสติปัญญาระดับที่จะรักษาสีห์้าได้แต่ถ้าต่ำกว่านั้นเช่นเป็นระดับของเดือนอาฉัสติปัญญาของเขาจะไม่มีกําลัง พอที่จะรักษาสีนห้าได้เวลาที่เขาเกิดความอยากเช่นเขาหิวเขาต้องหาอาหารมากินเขาก็ต้องหาหาอาหารที่ด้วยวิธีใดก็ได้อาหารที่ตายแล้วก็ได้นรือที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ได้สำหรับเขาเขาเขาไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องเสียาหายอะไรสามสามใหญ่จรงจริงาน้อย าสติปัญญาของเขานั้นไม่อยู่ในระดับที่จะรักษาสี่ห้านะั้นเพราะไม่รู้เรื่องของบาปของคุณของบุญว่าการฆ่าสัมี้เป็นบาทปาทํไปแล้วจะเกิดโทษามาต่อไปแต่เป็นมนุษย์นี้มีปัญญาไปได้รักการอบรมสังสอนจากพ่อแม่หรือ ครูบาอาจารที่สอนให้รักษาศีลไม่ให้ใจฆ่าสัตว์ตักทิ้ก็เลยสามารถที่จะรักษาศีลฆ่ากันได้อย่างน้อยก็ศีลไม่ฆ่าสัตว์คือสัตว์ใหญ่เช่นมนุษย์เช่นเช่นมนุษย์ด้วยกันนี้จะมนุษย์เราด้วยการ น, นี้จะไม่ค่อยฆ่ากันเท่าเพื่อเป็นอาหารเหมือนกับตาเอื่นที่เขาฆ่ากันเพื่อเพื่อเป็นอาหารของเขา เพราะว่าระดับของสติปัญญาต่างกันยินทถ้าระดับขึ้นไปถึงขั้นพระอริยเจา้าขั้นพระสวัสดบิบาล น, นี้ท่านก็จะมีสติปัญญาที่จะระงับการาทำบาปได้ทั้งหมดมือศีลห้านี้ท่านจะไม่ละเมิดเลยท่านมีปัญญาท่านเห็นว่าการละเมิดศีลห้านี้มีโทษมากกว่าการ การตายตายด้วยการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสมมติว่าอดตายหรือเวลาที่ถูกผู้อื่นเขาฆ่าแล้วไม่ขวางสู้กับเขาขวางให้เขาฆ่าเวลาตายไปใจไม่ัใจไม่ได้ทําบาปใจไม่ต้องไปเกิดในอภัาายใจไม่ต้องไปใช้กรรมตอบใจกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เลยถ้ายังปฏิบัติไม่ถึงขัง้นสูงสุด เพจะกรร ม, มาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาได้ปฏิบัติธรรมต่อไปถ้าไปฆ่าสัตว์ชีวิตตายไปก็ต้องไปใช้กรรมก่อนเช่นพระพระพระเทวทัพนี้เป็นตัวอย่างท่านก็มีศีลมีสมาธิแต่ท่านยังไม่ได้อยู่ระดับขั้นพระอริยเจ้าท่านยังไม่ได้เป็นพระโสดาบัน ท่านยังเป็นผูชดีแล้วท่านก็ไปทำบาตต่อพระพุทธเจ้าพยายามฆ่าพระพุทธเจ้าแล้วในที่สุดพอท่านตายไปก็ต้องไปใช้กรรมเงินยวนานก่อ น, ก, อนก่อนที่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมาบำเพ็ญเป็นและบำเพ็ญจนมนุษย์ได้เป็นพระปติกับพระพุทธเจ้าต่อไปถ้าท่านไม่ได้คิดฆ่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทาบาสมมติ แล้วท่านตายไปท่านก็ไม่ต้ไปเกิดในม่แล้วไม่ต้องไปใช้กรรมเลยแล้วก็ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ทันทีแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระปฏิเจ้าพระพุทธเจ้าหรืเป็นพระพ ร, ร, ร, ระอาหารหันต์ต่อไปก็ได้เพราะว่าท่านถึงแม้จะมีมททมนิสท่านมีฌานได้สมาธิแต่ไม่ใช่เป็นอริยะขั้นอริยะ สมาธินี้ไม่ไม่ถือว่าเป็นขั้นอริยธรรมขั้นอริยธรรมนี้ต้องเป็นต้องมีปัญญาต้องมีดวงตาเห็นธรรมต้องเห็นอนิจจมทุกข์วนัตตาในในร่างกายในรูปประคันเห็นว่าร่างกายนี้เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเห็นว่าถ้าการไปรักษาร่างกายเพื่อไม่ให้ตายด้วยการไปทำบาปไปท่าผู้อื่นก็จะ ต้องไปใช้กรรมต่อไปในอบายท่านจึงไม่ฆ่าโดยเด็ดขาดท่านจึงไม่ต้องไปเกิดในอบายหลังจากที่ท่านตายไปแล้วภชาของท่านก็มีไม่เกินเจ็ดชาติเนอย่างมากท่านก็จะสามารถปฏิบัติจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เพราะท่านก็จะ ปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยเจริญสติมากขึ้นไปเรื่อยๆเจริญปัญญามากขึ้นไปเรื่อยๆขั้นพระโสดา บ, บันนี้ขั้นก็มีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายท่านต่อไปขั้นก็ต้องเห็นความไม่สวยงามของร่างกายว่าร่างกายนี้ไม่ได้สวยอย่างที่เราคิดกันร่างกายนี้สวยเพราะได้รับการตกตกใจด้วยการขับถีบชนิปปะ อาบน้ำอาบทาแต่งกายแต่งหน้าแต่งตาให้ดูชักให้ดูสวยแต่ถ้าดูเวลาที่เพิ่งตื่นขึ้นมาแล้วดูเวลาที่ไม่ได้แต่งหน้าแต่งตาไม่แต่งกายหรือเวลาที่ไม่ได้อาบน้ำอาบทา่าก็จะเห็นว่าไม่ไม่ได้สวยอย่างที่ว่ากันแล้ยิ่งถ้าเห็นเวลาที่เป็นซากเสไปก็ยิ่งไม่สวยอย่างเดีย แล้วถ้าได้ศึกษาดูอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายในของร่างกายที่สุกผิวหนังปกปิดหุ้มห่อไว้อยู่แล้วเห็นสิ่งที่เป็นปฏิคุลออกมาจากร่างกายก็จะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ได้สวยอย่างที่คิดไว้ถ้าเห็นอย่างนี้ก็จะเรื่อนขันขึ้นไปเป็นพระสจิรดาคาและพระอนาถามีตาลมด พระสัจติาการีก็เห็นประมาณห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์คือเห็นบ้างไม่เห็นบ้างสลับกันไปอารมณ์ที่มีความอยากในร่างกายคือการอารมณ์ก็ยังมีบายังมีอยากบ้างเบื่อบ้างเพราะยังไม่ได้เห็นอย่างต่อเ น, นื่องเวลาใดที่จะเวลาใดที่พิจารณาก็จะเห็นเวลาใดที่ไม่ได้พิจารณาเถอ ถูกกิเลสทำหน้าที่แทนก็จะเห็นว่าสวยวางงาล่านลางก็จะเกิดอารมณ์การอารมณ์ขึ้นมาได้นี่เรียกว่าขั้นที่สองสติปัญญาระดับขั้นที่สองถ้าขึ้นไปขั้นที่สามขั้นพรนะอนาคามีก็จะเห็นว่าไม่สวยตลอดเวลาเห็นสิ่งที่เป็นปฏิกูลตลอดเวลานึกทีไรก็เห็ น, หนทันทีมองมองข้างนอกปัท๊ทีไรก็จะมองเห็นข้างในด้วยพร้อมกันไป จะเห็นวัยวะตต่างๆจะเห็นอาการสาสิบสองที่มีอยู่ในร่างกายถ้าเห็นอย่างนี้ตลอดเวลาการอารมณ์ก็จะไม่มีโอกาสที่จะทำงานได้เมื่อไม่มีการอารมณ์มันก็มอนก็ความทุกข์ที่เกี่ยวกับเรื่องการอารมณ์ก็หนับไปอยู่คนเดียวได้ไม่ต้องมีครอบครัวไม่ต้องมีคู่ครอง ไม่ต้องมีสามีไม่ต้องมีภรรยาพระสโสดาบันกับพระศกิลาขามีนี้ทายังมีอารมณ์ท่านก็ยังมีสามีและมีภรรยาได้เช่นนั้นวิสาขาก็มีครอบครัวเพราะว่าสติปัญญาของพระสโสดาบันนี้ยังไม่สามารถที่จะไปะหยุดการอารมณภ า, ายในใจได้แต่พอจเจริญ อาศุภะกรรมฐานหรือปฏิกูลกรรมฐานอยู่เรื่อยๆ อ, อยู่ตลอดเวลาจนเห็นทุกลมหายใจเขาออกอามารมก็ไม่มีโอกาสที่จะออกมาทำงานได้ทุกครั้งที่จะออกมาปั๊บก็จะถูกมรกคือสัมมาทิทีิคืออาุภกรรมฐานปฏิกูลกรรมฐานนี้ดึงเอาไวนะ้แลกดเอาไวนะ้แล้วดับ ทำลายไปทำลายให้หมดไปนี่คือเรื่องระดับของสติปัญญาที่เป็นองค์มากที่ทำให้เกิดนั้นพัฒนาคือให้มีความสุขมากขึ้นดับความทุกข์ต่างๆให้น้อยลงไปเรื่อยๆอันนี้จังทุกข์ังอนหน้าตาก็อยู่ตรงที่ว่าเห็น น, นัานนจังเห็นนั่นหน้าตาหรือไมน ถ้าเห็นนั้นเห็นนนนจังเห็นนั น, น น, นกตายแล้วไม่เกิดความอยากให้เป็นอย่างอื่นมันก็จะไม่เกิดทุกข์ขังขึ้นมาไตรลักนี่มันก็มีการเห็นตายลักษณ์นี้เรื่องสัมมาทิฏฐินี้ก็เห็นว่มีต้องหลายระดับด้วยกันระดับพระโสดาบันพระสติดาคาเนียพระอนาคาเและพระอรหันต์สำหรับพระอาหารหันต์นี้ท่านต้องมาดูตายลักภายในจิต คือกายลักษณ์ภายในร่างกายนี้เป็นหน้าที่ของพระสติดาคามีพระโสดาบันพระสติดาคามีพระนาคารีพระโสดาบันก็เห็นอนิจจังเห็นอนัตตาของร่างกายว่าเกิดมาแต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพระสติดาคามีพระนาคามีจะเห็นอสุภะความไม่สวยงมเห็นปฏิปูระความสกปรกของร่างกายจนเห็นได้อย่างแท้จริงตลอดเวลาไม่มี ข้อทางขาอยู่น้องเหลืออยู่ภายในใจเลยมองทีไรก็ไม่ได้เห็นว่าสวยเลยไม่เห็นว่าสวยว่างามว่าสะอาดเลยเห็นทีไยก็เห็นว่าสกปรปกเห็นว่าขยะขย ะ, ขยะส่วนพอพอได้คัานนี้แล้วเรื่องของปัญหาของร่างกายก็หมดไปสติปัญญาจะไม่มากังวลกับเรื่องของร่างกายต่อไป เพราะไม่มีอะไรในส่วนของร่างกายที่จะเป็นเหตุสร้างความทุกข์ให้แก่ใจได้ต่อไปแต่ยังมีปัญหาที่อยู่ภายในจิตอยู่ที่ยังจะสร้างปัญหาให้แก่ใจอย่างจิตนี้ก็ยังเป็นใจรักหนึ่งเหมือนกันจิตนี้ก็มีขึ้นมีลงมีสุขมีทุกข์ไม่เที่ยงเหมือนกันแล้วก็ควบคุมเองไม่ได้ไปกดไปบังคับให้เขานิ่งตลอดเวลาทั้งเวลา เข้าสมาธิก็ได้เวลาหนึ่งหลังจากนั้นก็ต้องออกจากสมาธิออกมาออกจากสมาธิจะใช้ปัญญาคอยควบคุมมันก็ควบคุมได้เป็นระยะระยะแต่จะควบคุมมันไปตลอดเวลาก็ไม่ได้มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามภาวะที่มากระทบกับกับจิตเลยทีนี้ถ้าเรามีปัญญาถึงขั้นนั้นสติปัญญาก็จะพิจารณาเห็นว่า มันก็เป็นเหมือนกับร่างกายที่มีแกฤฤฤ่เจ็บมีเกิดมีแก่มีเจ็บะตายเป็นอนัตตาเหมือนกันไปห้ามทำไม่ได้มีทางเดียวเท่านั้นก็ต้องยอมรับกับตามความเป็นจริงของเขาเขาจะสุข ก, ก็ก็รู้ว่าเขาสุขเขาจะไม่สุขเขาจะเปลี่ยนไปก็ยอมรับว่าทําเปลี่ยนไปเขาจะสว่างหรือเขาไม่สว่างสวายก็รู้ตามความจริงที่เขาเป็นอยู่ อย่าไปยึดติดกับความสวา่างอย่าไปยึดติดกับความสุดท้ายละเอียดใช่ไหจุดหนึ่งมันยังไม่ได้เป็นสุดแท้มันยังไม่เป็นสุขที่ถาวรยังไม่ได้เป็นสุขที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็ต้องใช้ใจรับเหมือนกันเพราะถ้าไปเกิดความอยากให้มันสุขไปตลอดหรือสวา่างสวยไปตลอดเวลามันไม่ดเวลามันจะเริ่มเปลี่ยนแปลงมันก็จะทําให้ใจทุกข์ขึ้นมาจะทําให้ใจต้องทํางานหาวิธี จะทำอย่างไรให้มันสว่างต่อไปให้มันสงบต่อไปมันก็ยังเป็นการทำงานอยู่มันก็ยังไม่มีวันสิ้นสุดงานยังไม่หยุดงานยังไม่หมดเนี่ยส่ทานนี้ก็ต้องรู้ว่ามันเป็นทุกข์แก่ใจและวิธีที่จะดับทุกข์ก็ต้องดับที่สมุทัยก็คือความอยากคืออยากให้เขอสว่างอยากให้เ็สงบไปยังงานนี้ก็ไม่ได้นี่ครันแล้วจะสว่างก็ปล่อยเขสว่างไป เขาจะสงวบก็ปล่อยเขาสงบไปพอเขาไม่สว่างไม่สงบก็ต้องปล่อยเขาเพียงเดียวัปพอปล่อยยาวความสว่างความสงบนี้มันก็จะหายไปเองเราเพียงแต่ทําใจเราให้เป็นกลางให้รู้สักแต่เรารู้ตามความจรงิขงข อ, ของเขาเขาจะเปลี่ยนก็ปล่อยเขาเปลี่ยนไปเขาจะสว่างก็ปล่อยเขาสว่างไป เขาจะไม่สว่างก็ปล่อยให้เขาไม่สว่างไปพอแล้วไม่ไปเกิดเกี่ยวข้องนะครับแล้วเขาก็จะหายไปในที่สุดพอเขาหายไปแล้วทีนี้ก็จะเหลือแต่ความว่าความสงบที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับท้องฟ้าที่ไม่มีมเมฆหมอกเอาดูท้องฟ้าที่ว่างมันไม่ไมปเปลี่ยนหรอกความว่างของท้องฟ้าไม่เปลี่ยน ด้วยความว่างของอากาศนอกตัวเราเนี่ยมันมันไม่เปลี่ยนมันก็ว่างของมันอยู่ตรงนั้นไอ้ที่ที่ไปทําให้มันไม่ว่างก็คือส่งต่างๆอย่างพวกเรานี้ยมาทําให้อากาศทั้งนี้มันไม่ว่างพอพวกเราไปเขาก็ว่างเหมือนเดิมหรือท้องฟ้าท้องฟ้าเขาไม่ว่างเพราะมเมฆหมอกมันเข้าไปโผล่ขึ้นบนท้องฟ้าพอไม่มีมเมฆหมอกไม่มีแล้วท้องฟ้าก็วา่างใจก็เหมือนกันใจพอไม่มี ไม่มีความสว่างหรือความสงบมันก็ว่าความสว่างและความสงบของจิตนั้นมันก็ยังเป็นสมมติฐานเปนเหมือนแม่หมอกเข้ามาผู้ปฏิบัติถึงจะเข้าใจเมื่อปฏิบัติไปถึงคันละมันมีความแตกต่างกัน ร, ระหว่างความสงบความสว่างที่วิเศษวิโสที่สุดสหรับการปฏิบัติเลย ถ้าปฏิบัติถึงขั้นสว่างภายใจิตขั้นสางบภายใจิตเ่าจะเห็นว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากแต่แต่ไม่รู้ว่ายังมีสิ่งที่มหัศจรรย์กว่านี้คือการไม่มีอะไรเลยการว่างหมดเลยไม่มีอะไรเลยอันนั้นแหมหัศจรรย์กว่าถ้าไม่ถ้าไม่ไม่ฉลาดก็อาจจะติดอยู่ตรงนั้นติดอยู่กับความสงบความสว่างที่มหัศจรรย์นั้น เวลาที่มันจะหายไปก็พยายามดึงมันกลับมามันก็จะคอยต้องคอยดึงมันเรื่อยๆเวลาเช่นสมมติเวลามันจะมันจะหายไปก็พุทโธพุทโธโดยกรรมปั๊บเดี๋ยวมันก็กลับมาได้ดึงมันกลับมาได้แต่โดยธรรมชาติถ้าเราปล่อยมันไปนี้มันจะไปมันจะไปอยู่แล้วแต่เราไม่ยอมปล่อยมันไปเพราะเราหย่งหยงยึดติดเหมือนว่ามันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ คิดว่า น, นี่คือจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติของเราก็ได้ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์หรือถ้าไม่มีสติปัญญาที่ฉลาดพอที่จะวิเคราะห์ให้เห็นว่ามันยังเป็นการยังมีทุกข์มีสมุขทายอยู่แต่ถ้าถ้ามีคนมีสติปัญญาถ้าไม่มีปะครูบาอาจารย์คอยบอกทางก็จะรู้ทเราจะรู้ว่านี่เป็นปัญหาเหมือนกับร่างกาย เป็นสมาวรธรรมเหมือนกันเพียงแต่ร่างกายเป็นวัตถุแต่จิตนี้มันเป็นนามธรรมาแต่การปฏิบัติต่อสองสองสิ่งนี้เหมือนกันก็คือต้องใช้ใยรักเข้าไปเป็นตัวเป็นตัวยุติปัญหาคือต้องเห็นว่ามันไม่เที่ยงแล้วก็เป็นอนัตตาคือไปบังคับเขาไม่ได้ ต้องยอมรับตามสภาพของเขาเขาจะอยู่ก็อยู่เขาจะไปก็ไปเพราไปน้นก็จะไม่เกิดทุกข์ขังตัแวแล้วก็จะเป็นการดับทุกอย่างถาวลเพราะอันนั้นเป็นเป็นสมมติชิ้นสุดท้ายที่หลงเหลืออยู่ภายในใจอยู่ในใจิตพอสมมตินี้ออกไปจากใจแล้วคือสิ่งที่เป็นใจรักหมดแต่จากใจแล้วาการไม่ได้ไปเกี่ยวข้องด้วยแล้วไม่ยึดไม่ติดแล้ว เขาก็ไม่มายุ่งกับใจต่อไปแต่นะยังต้องอยู่ด้วยกัรเช่นร่างกายหรือจิตใจที่มีอารมณ์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามเหตุการณ์แต่ใจจะไม่ทุกข์ไปกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นร่างกายจะเปลี่ยนอย่างไรก็เขารู้ทันรู้ทันจิตใจจะเป็นอย่างไรก็รู้ทันรู้ทัน ใจใจตัวรู้นี้จะไม่ขึ้นไม่ลงไ ม, ไม่ไม่ทุกข์กับอะไรไม่รักไม่ชังกับอะไรนี่กระดับสติปัญญาขั้นสูงสุดเรียกหมาสติมห า, รราปัญญาเนี่ยพอออกจากร่างกายไปแล้วเนี่ยพอผ่านร่างกายไปแล้วสติปัญญานี่มันจะเข้าสูร่ระดับหมาสติมหาปัญญามันจะทํางานของมันเองโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปบังคับมัน เหมือนกับระดับที่อยู่ในร่างกายที่เราอย่างต้องคอยบังคับให้พิจารณาความแก่ความเจ็บความตายให้พิจารณาสุภาษอยู่เนี่ยแต่พอถึงขั้นผ่านขั้นนี่แต่นะมันนี้มันจะเป็นแบบเป็นแบบคอยขุดคุ้ยคอยหาหาตัวกิเลสหาตัวสมุทยัยนะครับมันอยู่ตรงไหนตัวไหนที่เป็นสมุทยัยเป็นภาวะตัณหาหรือพิภพะตัณหานี้ มันจะคอยสังเกตดูอยู่ตลอดเวลาถึงจะคอยดูทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในใจตลอดเวลาพอเกิดขึ้นบ้างมันก็จะ <c oughs> พิจารณาเลยว่ามันเป็นเป็นเพราะอะไรเพราะอยากกับอะไรอยากให้อยู่หรืออยากให้ไปเพราะรักหรือหรือชัเนี่ยมันจะอยู่เแถานี้แหละมันจะวนไปเรื่อยๆจะในที่สุดมันจะจนกว่าจะไม่มีรักไม่มีชัง ห, ง, งหรืออยู่ภายใ น, น ที่ยติดต่อไปแล้วมันก็จะไม่มีอะไรให้ทำแล้วเพราะทุกอย่างปัญหาทั้งหมดมันได้ถูกการจัดการหมดไปแล้วการมาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาที่เป็นต้นเหตของคามทุกข์ก็จะไม่มีหลงเหลืออยู่ภายในใจแล้วพบชาติมันก็จะรู้อยู่ภายในใจว่ามันหมดไปเพราะมัน ภพชาตมันก็ไม่มาจากอะไรมันก็มาจากกา ร, ารวัตันหาภาวตันหาวิภาวตันหานี่ก็ถึงพูดได้อย่างเป็นปว่าไม่เกิดอีกแล้วเมื่อมีไม่มีการอยากแล้วมันจะไปเกิดได้อย่างไรมันเป็นสันทิฏฐิโกอากากรนโกจดจดล้องๆ่งนี่ยหเกี่ยวกับการปฏิบัติของเรา จะจะสุปฏิปันโนอุเชยายะสามิจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ได้อยู่ที่ไทยนะไม่ได้อยู่ที่พระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่พระธรรมคัมภีร์ไม่ได้อยู่ที่พระอริยสงฆ์สาวกแต่อยู่ที่ผู้ปฏิบัติเองไม่ได้อยู่ที่เพศอยู่ที่วัยจะเป็นหญิงเป็นชายจะแก่หรือจะเป็นเด็กจะเป็นนักบวชหรอือเป็นค า, า, ารวะไม่สำคัญ สำคัญอยู่ที่ว่าจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือเปล่าอยู่ตรง น, นั้นนี่คือหลักที่ประการมรรค ม, มิพานอยู่ที่อยู่ที่การปฏิบัติยังที่พระองค์ทรงตรัสว่าตรัได้ผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติสมควรแกร่ธรรมยังมีอยู่พระอรหันจะไม่ตัดสัจรวงนี้จะมีจะจะจะไม่ตัดสัจรวงนี้จะไม่ป ร, ร, ราสัจากพระอรหัน เพาะว่าธรนี้เป็นอ า, าการนีก่อนไม่ได้อยู่กับพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าไม่ได้เอามรรคผลนี้ผ่านไปกับท่านท่านฝ า, านกไวงง้ในเจ้าลกาโตพระพุทธเจ้าทรรมนในในสุสปฏิปันโนโอุชุอานญาสสามิจุปฏิปันโนนี้ที่อัตาหิอัตโนนาโถอยู่ที่ตัวเราในที่สุดมันต้องกลับมาที่ตัวเราตัวเราต้องเป็นผู้สวงหาความรู้ ต้องศึกษากาทําคำซ้อนเมื่อได้รู้แล้วว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรก็ต้องนำมาไปปฏิบัติพระพุทธเจ้าปฏิบัติแทนเราไม่ได้พาษสารมุปฏิบัติแทนเราไม่ได้พ่อแม่ที่น้อคนอื่นปฏิบัติแทนเราไม่ได้เราต้องปฏิบัติเองดังนั้นก็ต้องมาดูที่ตัวเราย้อนกลับมาดูที่ตัวเราวนะ่าเราปฏิบัติหร้อเ่ ถ้าเราไม่ปฏิบัติผลมันก็ไม่เกิดเราก็อย่าไปโทษใจบางคนก็ทษวงว่ามันยากมันยากที่ไหนไมันไม่ได้ยากมันมันไม่ได้ปฏิบัติ <S <S 1> <S 1> มันถึงยากถ <dies> ้ามันปฏิบัติมันจะไม่ยากเลยคนที่เขาปฏิบัติเขาไม่เห็นว่ามันยากคนไม่ปฏิบัติไม่ว่ามันยากยากง่ายมันไม่ได้อยู่ที่ที่ ท, ที่ที่เราร อ, อยู่ที่การปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติมนะันก็ไม่ยากหรอก แต่ว่าใจเรามันพวกใจร้อนพวกขี้เกียจอยากได้กลเล้วแต่อยากทําน้อยๆพอต้องทํามากกเลยว่ายากเท่านั้นเองทําไปตามเหตุตามผลเลยทุกคนต้องทําเท่ากันหมดเหมือนกินข้าวกินข้าวต้องกินเท่าๆกันเนี่ยมันเป็นใจอินเหมือนกันการปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติเท่ากันมันถึงจะได้ผลเท่ากัน ไม่มีทางอื่นนะมันก็ทางนี้ทางเดียวนั่นก็คือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติด้วยตัวของเราเองอัตาอต า, าที่อัตโนยาถลสู้ไม่ถอยเดียว้วก็เอาไะขอภาพสามน้ ธรรมะนี่แหละเป็นสิ่งที่ทําให้คนเราเ ป, ปลี่ยเปลี่ยนได้เปลี่ยนเปลี่ยจาไม่ดีสื่ความดีได้มีธรรมะธา ร, รมะนี่ที่ทำให้เราด้วยการทให้เรามีความสุขทําให้เรามีความทุกข์น้อยลงไปไม่อย่างอื่นอย่างอืนนี่แตาทำให้เรามีความทุกข์มากขึ้นมีความสุมข น, สน้อยลงไป แต่เราก็ยังมองไม่เห็นเราก็ยังกลับเห็นว่ามันเป็นความสุขมากกว่าความทุกข์แต่ทั้งทีเรากอดความทุกข์มากกว่ากอดความสุขกันความสุขนี่เป็นเหมือนเหื่อที่ติดอยู่ในเด็กความทุกข์เหมือนเบ็ดที่มันเกี่ยวคอคือดูปลาเวลากินเบ็ดเนี่ยมันก็อร่อยตอนที่มันทุบเข้าไปเลยยังไม่ทันได้เชื่วได้คืนเลยถืเบ็ดเกี่ยวคอก็ ทีนี้ก็เดินไปยังกว่าที่จะเขาตายไปเพราะเขาคงไม่ก่อยให้อยู่เราตกมาก็เพื่อที่จะไปกินไปท่าความทุกข์ทางตทางทางตาหูความฉุกทางตาหูตึงเหมือนกันนี้ก็เหมือนกันความสุกทางคือทางความสุกทางรอบยุทธศสตร์มันก็เหมืนกันเป็นการสุงเพียงนิดหน่อยแต่มีความทุกข์เข้ามามากมากายก่อน ทุกตังแต่ระดับมาเศรษฐีลงมาจนทั้งถึงขอทานข้างถึงทุกเหมือนกันมีความทุกเหมือนกันเพราะมีความอยากเหมือนกันความอย่างนี้มันไม่ได้หมดไปตามตามสิ่งที่เราได้มาได้มาแทนที่จะความความอยากจะน้อยลงไปกลับอยากมากขึ้นได้ทือก็อยากจะได้เป็นสอบได้สอบก็อยากจะเอาได้เป็นวา ไล่แสนก็อยากไล่ล้านไล่ล้านก็อยากจะได้เป็นพันล้านความอยากมันมันไม่มันไม่น้อยตามไปกับสิ่งที่เราได้มาความอยากนี่มันจะน้อยลงไปกับการการให้การตัดการหยุดความอยากถ้าเราหยุดความอยากความอยากมันก็จะอ่อนตัวลงไปง่ายทั้งแรกมันจะแรงพอเราหยุดไปได้ความแรงน้ำหนักของมันก็จะ ลดเหลือประมาณครึ่งแล้วก็จะลดลงไปเรื่อยๆ <c oughs> คนที่อยากสลาน้เวลาจะเลิกใหม่ๆนีจ้จะเริรู้สึกทึ่งประมาณใจเพราะความอยากมันรุนแรงแต่พอพออดไปเรื่อยๆความอยากมันก็เบาไปเรื่อยๆแม้แต่การอดอาหารนี่ก็เช่นเดียวกันเวลาอดอาหารวันแรกๆนี่รู้สึกจะหิวมาก แต่อดไปเรื่อยๆทางที่จะหิวมามันกับถือน้อยลงไปเลยพอผ่านวันที่สามไปเรามันก็ไม่ค่อยถิวแล้วคือหมายความว่าความหิวทางใจเนี่ยความหิวที่เกิดจากความอยากนี่มันจะน้อยลงไปตามแบบส่วนความหิวที่ของร่างกายที่ทานอาหารนี่มันจะไม่มันไม่ดึนแรงเหมือนกับความหิวที่เกิดจากทางใจมันไม่ทุกข์มันไม่ทรมานใจมันเพียงแต่ ทำให้นิสัว่าร่างกายมันอ่อนเพลียลงไปเท่านั้นเองแต่การอ่อนเพียงร่างกายนี้ก็ไม่ได้หมายควาว่ามันจะไม่มีกำลังนะเพราะกำลังมันอยู่ที่ใจถ้าขณะที่อัวาหารแล้วเราปฏิบัติไปด้วยทำจิตให้สงบได้เนะมันจบมีพลังที่จะเดินจงกรมนั่งสมาธิได้มากกว่าตอนที่เรากินอาหารอย่างปกติเอง เวลากินอาหาเนี่ยปกตินี่ความที่เกียดมันจะเข้ามาก่อนนี่ยมันจะคิดถึงหมอนก่อนเเวลากินอือ่นๆใหม่ๆลองกลับไปนั่งที่สมาธิที่ปกติเลยนั่งไม่ถึงห้านาทีาโแ้แต่ถ้าแต่ถ้าแต่ถ้าจิตมีมีสมาธิได้จเจริญปัญญาได้ปล่อยวางความอยากมันจะมีพลัง ถึงแม้ว่าจะไม่ร่างกายจะไม่ค่อยมีเลี่ยมมีแรงแต่พลังของเกียรตนี้มันสามารถที่จะดึงให้ร่างกายทําทํทการทาการปฏิบัติได้ให้เดินจงกรมได้ให้นั่งสมาธิได้นั่งแล้วก็ไม่ง่วงเหงาเหงาหนอนเวลาเดินก็ไม่ง่วงไม่ขี้เกียจเดินพิจารณาทำไปมันก็เพิ่มเพา่มไปพิจารณาร่างกายก็ได้พิจารณาความไม่เที่ยงของ รูปประคันของเราก็ได้ของคนอื่นก็ได้ของสิ่งต่างๆก็ได้มันจะเพลินแล้วมันก็จะปล่อยวางไปตามลำดแบบับความอยากเกี่ยวกับเรื่องเรื่องต่างๆมันก็จะเบาบางลงไปพอความอยากมันเบาบางลงไปความสุขใจใจนั้นก็ เ, นเพิ่มมากขึ้นไปความสุขความทุกข์ของร่างกายไม่ได้อยู่ที่ที่ร่างกายไม่ได้อยู่ที่ความสุขความทุกข์ของร่างกาย ความสุขความทุกข์ของใจอย่ที่มากคือสติปัญญาหรื อ, อยู่ที่สมุทยัยถ้าสมุทยัยความอยากมีมากความทุกข์ใจก็จะมีมากถ้าถ้าใจมีสติปัญญามากมีใจรักเป็นใ้รักอยู่มากเท่าไหร่มันก็จะมันก็จะมีความสุขใจมากขึ้นเพราะมันปล่อยวางได้มากขึ้นใจเบา อ, อกเาจาใจสบายใจนี่เป็นเป็นเคล็ดรับที่พวกเราไม่รู้กัน เพราะเราปกติเลยเราให้คิดว่าเราต้องได้ตามความอยากแล้วเราถึงจะมีความสุขเราต้องร่างกายเราต้องอิ่มหนี้พีมันถึงจะมีความสุขนมี่เป็นความคิดของกิเลสของการมาตัญหาความอยากในการมันต้องกินมากๆ ก, กินแล้วทั้งร่างกายมันมีน้ําหนักเกินมันก็ยังไม่รู้สึกตัวว่ามันเกินแล้วมันก็ยังหยุดไม่ได้ เราก็พูดถึงความอยากใช่ไหมความอยากมันเปนอย่างนี้คือการที่มันจะอยากน้อยลงไปเมื่อมันได้กินแล้วมันกลับอยากจะกินมากขึ้นก็เลยมันการที่จะมีความสุขมันก็กระจายเป็นความทุกขเพราะร่างกายมันจะต้องเจ็บไขยได้ป่วยง่ายกว่าคนอื่น แล้ก็เวลาที่อดอะไรนิดอะไรหน่อยก็จะทรมาน ก, กว่าคนที่อยากน้อยเพราะความอยากนี้มันจะยืดไรกว่าคนที่มีความอยากน้อยคนที่เคยอดมาแล้วนี่จะไม่ค่อยิืนหรอกใจจะไม่ค่อยดีใจก็จะสบายสบายไม่ยืดก็อยูไปได้อยู่ก็อยู่กันไปเนี่ยเวลาอดหานี่ส่วนใหญ่ถ้าพ้นสามวันไปแล้วมันจะไปได้ต่อมันจะทรมานช่วงสามวันแรก พราะความอยากมันมันมันมีกําลังมากพอมันไม่ได้กิดตามความอยากสักสามวันนี้มันจะออกมันจะลดไปเกือบหนึ่งในสามหรือสองในสามเหลือเพียงหนึ่งในสามก็สบายทีนี้จะอดต่ออีกสามสี่วันก็จะไม่ไม่ท้อไม่รู้สึกทมาเหมือนกับอดสามวันแรกแล้วบางทีอดทีก็อยากจะอดไหลายวันเพราะว่ามันคุมคุมเหนื่อยนพอถ้าอดแค่สามวันพอพอมันจะหายแล้ว ต้องกลับไปกินแล้วนี่มันก็ไม่ ไ, มได้กำไรแต่เจ้เหมื อ, อ น, นมันก็ต้องภาวนาเป็นเพราะว่ามันต้องควบคุมความอยากให้ได้ถึงแม้ไม่ได้ตลอดเวลามันก็พนหนักเป็นดาวได้ถ้าไม่ไกลภาวนาทำจิตให้สงบเลยเวลาอดอาหารมั น, ม, นมันทนไม่ได้หรอกมันจะคิดแต่เรื่องอาหารอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราไปนั่งสมาธิอย่างนี้น หรือบริกรพุโทพธโธพธไม่ว่าเราจะทำอะไรมันก็จะไม่มีโอกาสที่จะไปคิดถึงเรื่องอาหารความหิวที่เกิดจะการมักการหารมันก็จะไม่ไม่เกิดขึ้นมาแต่เวลาใดที่เราเผยสติครับกลับไปคิดถึงอาหารการเด็ดอาหารชิ้น น, าา น, นั้นชิ้นนี้แล้วารโปรดของเรานี้ยน้ำลายมีนจะไหลมันจะคิมันจะรู้สึกตามมันใจขึ้นเมา การวาหารนี่มันเป็นอุบายที่าบางังคับให้เราคอยเจริญสติคอยควบคุมจิตใจของเราให้อยู่กับกับกรรมฐานให้อยู่กับพุโทโธแล้วคอยควบคุมให้เรานั่งสมาธิถ้าเรานั่งสมาธิได้เนี่ยถึงเมื่อเราเคยนั่งได้แล้วเนี่ยยาธิเลตมันก็ยังไม่ค่อยชอบให้เราไปนั่งเรามักจะยัเผลอไปทาเรื่องนั้นทำเรื่องนี้อยู่เรื่อย แต่พอถึงเวลาอดอาหารมันมั น, ม, นมันรู้แล้วเผอไม่ได้เผยว่าเรามันทรมารย์ใจเหมือนกับคนที่นั่งโมที่ขึ้นเวทีเผอไม่ได้เดี๋ยวโดนหมัดแต่ถ้าเราอยู่อยู่ข้างล่างโชคกระสอบใจนี่เราเผอได้เพราะว่ากระสอบใจเขาไม่เขาไม่เขาไม่โชคกลับอย่างเวลาที่เรารับประทานอาหารตามปกตินี้ก็เหมือนกันเราไม่ได้ขึ้นเวทีเราก็มาจะเผยปล่อให้ใจชิดเลื่อยเผลือยไป แต่พอเราอดอาหารนี่เรารู้เลยว่าเผลอไม่ได้เนะี่ยมันจะคิดถึงอาหาราการเปิดเลยแล้วพอคิดปั๊บนี่มันจะทุกข์ทรมาน์จันแล้วมันจะคิดแบบไม่หลุดด้วยมันจะไม่ได้คิดปั๊บแล้วมันจะหลุดไปมันยิ่งปรุงแต่งใหญ่เพอพอพอรู้อย่างนั้นแนะ้วพอเวลาอดอาหารนี่จะต้องคอยบังคับให้ให้นั่งสมาธิก่อนแล้วพอจะสมาธิก็ให้เท่าทานจคะควบคุมจิตอยู่ตลอดเวลา ไม่ให้ไปรับรู้กับเรื่องใครไม่ไปคุยกับใครเพราะเดี๋ยวไปคุยก็เผอคุยเรื่องอาหารันได้ต้องตื่นวิเวกอยู่คนเดียวเดินเดียวผมนั่งสมาธิมันก็เลยทําให้มันเกิดนิสัยนี้ขึ้นมาเกิดนิสัยการตื่นวิเวกเกิดการนั่งสมาธิเดินเดียวผมโดยการปวดอาหารนี่แหละมันเป็นตัวบังคับเราไป ถ้าเราไม่อดอาหารเราก็ต้องออกไปบินตบาสออกไปทํากิจล่วงกับคนอื่นก็เดี๋ยวก็ไปคุยกันนี้มีเรื่องอื่นก็มาเกี่ยวข้องใจก็ไม่ไม่สมองบก็ไม่กลางงา้าน้าไม่คิดถึงธรรมจงกรมไม่คิดถึงการนั่งสมาธิเพราะเหมือนจะไม่มีเหตุเหมือนกับยาเนี่ยถ้าเราไม่ไม่เจ็บไายได้ตัวเราจะไม่คิดถึงอย่าง แต่เวลาที่เราเจ็บพลาในตัวนี้คอยดูเวลายสอดเราถึงเวลากินยาหรือ ย, อยังถึงเวลากิญญาหรือ ย, อยังเพราะเราอยากจะให้มันหายรู้ว่าถ้ากินยาตามเวลาแล้วอาหารเราก็จะทิ้ดแต่ยาเวลาเราโอนอาหารจ็เมืนกันเรารู้เลยว่าเราต้องนั่งสมาธิต้องเรตรมจงกมถ้าเราไม่ทําปาบเหีือความทุกข์มาละความเตล่อนใจมาละมันจะปรุงแต่งเรื่องเรื่องอาหารอยากไปกินอาหารชนิดนั้นชนิดนี้น แม้แต่ข้าวเปล่าเนี่ยไม่ว่าอร่อยนเออถ้าได้กินข้าวเปล่าตอนนี้รู้สึกว่าสวรรค์การปฏิบัติที่เราจะยกระดับจิตของเราได้นี้เราต้องต้องมีมีอุบายต้องมีเหตุการณ์บังคับมันถึงจะมันถึงจะก้าวขึ้นไปได้เพราะโดยปกติถ้าเราอยู่อย่างสบายๆตามปกตินี้เราก็จะ ไม่ค่อยคิดที่จะต่อสู้เราค่อชอบติดอยู่กับสภาพเดิมของเราเราเคยกินใคยอยู่ของเราอย่างไรเราก็จะอยู่เราก็จะติดอยู่กับสภาพนั้จิตใจของเราก็จะไม่ค่อยได้พัฒนาขึ้นไปเพราะเราจะไม่คิดถึงเรื่องการนั่งสมาธิการเจริญสติตการเดินโยกมเท่าแต่ถ้าเราต้องการยรากระดับจิตนเราให้สูงขึ้นเราต้องมรีอุบาง ถ้าเป็นคารวะเบื้อนต้นก็จากถ้ารักษาศีลห้าก็ให้รักษาศีลแปดศีลแปดนันก็มีการมีการยกระดับการปฏิบัติให้สูงขึ้นหนึมีเหตุการณ์บางครั้ให้ปฏิบัติเช่นให้กินข้าวไม่เกินเพียงวันแเดลยวเหตุการบันเทิงก็ให้ตัดไปหนึ่งไม่ให้ดูหนังฟังเพลงโทรทัศน์วิทยุไม่ต้องฟัง เอาเวลาแล้วมานั่งสมาธิมาเดินโยกมมาฟังเทศน์ฟังธรรมมันถึงจะมีการเจริญเติตโตตนน้นไม้ถ้าไม่คอยใ ส, ใส่ปุ๋ยใส่น้าให้มันมันจะโตได้อย่างไรหมุนมันไว้แล้วก็ทิ้งมันไว้เองนั่นแน้ำก็ไม่ให้หรือให้ก็ให้แบบพอพอพอประทานชีพแตวันวันนมันก็ไม่โตมันก็เพียงแต่คงอยู่ตรงนั้น สถานภาพจิตของเราที่เป็นอยู่ทุกวันนี้มันก็ได้แค่นี้แหละมันจะไม่ได้มากกว่านี้ถ้าการปฏิบัติของเราไม่ไม่เพิ่มมากขึ้นไปกว่านี้เราต้องเราต้องดูที่การปฏิบัติของเราว่าเดี๋ยวนี้เรารักษาสีได้กี่ข้อได้กี่วันแล้วการปฏิบัติของเรานี่ปฏิบัติวละกี่ชั่วโมงแล้วการตัดที่เลยของเราเช่นลูอเสียงกินนั่นนี่เราตัดได้ มากขึ้นหรือยังหรืยังเหมือนเดิมอยู่ยังดูหนังฟังเพลงท่าเดิมอยู่ยังไปเที่ยวยังทำอะไรเป็นเหมือนเดิมมันก็ไม่กล้เามามันต้องตัดเรื่องทางบันเทิงทางความสุขทางการอารมณ์ให้น้อยลงไปแล้วก็เพิ่มการปฏิบัติเพื่อความสุขของความสงบของใจให้มากขึ้นก็คือการเจริญสติการนั่งสมาธิการเดินจงกรมการพิจารณาด้วยปัญญาอันิี้การพุกขังอนัตตา นี่เป็นทางที่จะพาเราไปสู่ความก้าวหน้าถ้าเราไม่บังคับเราไม่กาหนดวิตีการปฏิบัติของเราปล่อยให้เป็นไปตามอารมณ์มันก็เป็นเหมือนเรือที่ไม่มีหางเสือมันก็จะไหลไปตามกระแสลมกระแสน้าลมพัดมาทางนี้มันก็ไปทางนี้แล้วพอลมมันเปลี่ยนทางมันก็พัดไปทาง ถ้าเราไม่มีกําหนดเวลาเราก็จะทาาําตามวันนี้อยากจะนั่งเทานั้นวันนี้ไม่อยากจะนั่งเท่านัา้นนะมันก็จะขึ้นลงมันก็บวลบคุณหารแล้วมันก็อยู่ที่เดิมถ้าเรากําหนดเลยว่าวันนี้จะต้องนั่งกี่ชั่วโมงเดินกี่ชั่วโมงวันนี้จะต้องตัดเวลาดูทีวีลงไปกี่ชั่วโมงวันนี้จะลดการหาความสงบจากการเดือดการรับประทาน มากน้อยเท่าไหร่กานหมดใจเช่นถ้าถ้านักปฏิบัติก็กินอาหารตามเวลานอกเวลาก็ไม่เอาเนอกจากน้ําเปล่ามันต้องอย่างนั้นถ้านอกเวลายังมีเครื่องเดืมห ว, วานหวานเปรี้ยวเปี้ยมันๆให้เดิมมันก็ยังเป็นเรื่องของกินเลยอยู่มันก็เป็นนิวรณ์เรียกว่าเป็นการประชันธะเป็นตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการทำจิตใจให้สงบ แเราต้องเราต้องรู้ว่าอะไรเสริมอะไรส่งให้เราก้าวหน้าเราต้องรู้ว่าอะไรเป็นตัวขัดขวางเป็นตัวเด่งเป็นตัวถ่วงไม่ให้เราก้าวหน้าถ้าเราไม่ไม่มีข้อมูลเหล่านี้เราก็จะปฏิบัติแบบผิดผิ ด, ผดถูกถูกก็จะไม่ไม่ไม่ก้าวหน้าไปเท่าที่ควรจะก้าวหน้า้ปถ้าไม่รู้ก็ต้องคอยศึกษาจากผู้รู้คอยฟังเทศฟังธรรมของ พระปฏิบัติทั้งวัน ท, ท, ท, ทั้งอุบายทั้งวันอุบายวิธีที่ทําใช้ในการปฏิบัตินี่แหละเป็นเป็นตัวอย่างที่เราสามารถนํามาใช้กับเราได้แล้วอาจจะต้องมาดัดแปงลงอาจจะต้องเปลี่ยนบ้างก็ได้เพราะจริตของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันเช่นบางคนก็อาจจะไม่ถูกกับการอดอาหารก็ได้ออาหารแล้แทนที่จิตสงบกับพุ้งซ่านมากกว่าเพราะไม่มีกําลังที่จะควบคุมความคิดไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องอาหารได้ ก า, า, ารนอานี้ก็อาจจะไม่เกิดประน์หรือบางท่านก็ไม่ชอบการอดนอนก็ได้เวลาคือถือสามวิญญาณแบบไม่นอนบางทีพอไม่นอนแล้วมันก็ชั่งใจงไม่มีกําลังที่จะภาวนาที่จะปฏิบัติมันก็ต้องดูจริตของเราว่าอะไรที่จะเหมาะกับเราอบายอย่างนั้นนั่งมากหรือนอนมากแล้วสถานที่ อยู่ตรงไหนถึงเหวาะกับเราตารางที่มันต้องเป็นที่นิเวศแต่บางคนชอบในป่าบางคนชอบที่โลกต้องดู ว, ว่าอันไหนยังเหมาะกับเราปัจะคนวะามสบายไม่ใช่นั้นแนะล้วเราก็จะจะปฏิ บ, บัติแบบลุ่มัลำดอนแล้วก็จะไม่ได้ ได้ผลอย่างรวดเร้วอย่างที่เราต้องการก่อนเราต้องรู้ว่าอะไรส่งเสริมถูกกับเราเป็นสัปเพยะกับเราเราต้องรู้ว่าอะไรมไม่เป็นสัปเพยะกับเราแต่อย่าไปว่าไม่สัปเพยะทุกอย่างเลยอันนี้เราไม่สัปเพยะสัปเพยะก็ต้องกินห ม, มีพีมันต้างได้เที่ยวได้ดื่มได้กินตลอดเวลาถ้าอย่างนี้แล้วก็คงจะปฏิบัติธรรมได้ได้ <c oughs> อนี้ก็หวังหวังได้อย่างมากก็แค่สวรรค์ก็แล้วกันทำอย่างให้ทางนักษาสิศีลไปเรื่องสมาธิเรื่องปัญญานี่ก็เอาเกบไหวเป็นเรื่องของคนอื่นไปก็แล้วกัน <c oughs> เราก็พอใจต่อการเยี่ยนไหวตายเกิดกับการเป็นันนี้เป็นเทพมิตรไปก่อนถ้าอยากแย้วหยุดพ้นจากวงจรเห็นการเวียนไ่าตายเกิดถ้าต้องก็ต้องปฏิบัติทำ ก้าวเจริญจิดตะภาวนาสมสถะและวิปัสสนาภาวนาเป็นเป็นเครื่องมือเป็นทางหรือเป็นเป็นยามที่จะพาให้เราได้หลุดพ้นจากการเป็นดูดของความวัตจักรเหมือนกับจ ร, รวดที่เขาส่งออกจากโลกนี้ไปต้องมีจ ร, รวดที่มีพลังกำลังมากเป็นอจะามาก หลุดพ้นจากอย่างหนึ่งอยู่สองโลกหน้าเครื่องบินยังไม่สามารถที่จะหลุดพ้นได้คืองบินได้แต่ยังต้องกลับลงมายอยู่แต่ถ้าจรวดนี่ไปแล้วไม่ไ ม, ไม่กลับเลยถ้าอยากไปไม่กลับก็ต้องมีพลังจิตเท่ากับพลังจรวดก็ต้องปฏิบัติอย่างเต็มที่เท่านั้นแหละต้องต้องปล่อยวางภารกิจการอย่า ง, อ, างอื่น เช่นนักบวชทั้งหลายนักปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยพวกนี้เขาไปไม่กลับอันนั้นพระสงฆ์สาวล้งท่านไปดอกไม่กลับท่านก็เลยต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการปฏิบัติแล้วก็ไม่มีอะไรจะดีเท่ากับการบวชเพราะพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้กําหนดทรงเป็นผู้บัญญตัติวิธีการปฏิบัติ สรงไม่ให้มีเรื่องอื่นใดมาเป็นมาเถียงมาดึงดุดนี้ให้กลับมากับการเรีนไหวตามเกิดลงทรงทรงส่งเสริมทรงออกแบบวิถีชีวิตของนักบวชนี้เพื่อที่จะส่งเสริมให้ได้บุค้นจากการดึงดูดของวัฏจักรแห่งการเรียนไ่า้ตายเกิดั้นถ้าเราเบื่อกับการเกิดแก่เจ็บตายเราก็ต้องรักการบวช รกการปฏิบัติถ้าเรายังรักกับการอยู่แบบคารวะก็เท่ากับว่าเรายังไม่เดือดรับการเห็นว่าทางเกิมันอยู่ตรง น, นั้นเนี่ยมันไม่มีทางอื่นตอนต้นเราก็ไม่คิดว่าเราจะมาบุญตันนั้นเราคิว่านั่งสมาธิแล้วจิตสงบจะได้มีความสุขทั้งสองอย่างไปเที่ยวก็มีความสุขเวลาอยู่บ้านก็มีความสุขแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นแหละพอมันพอมันนั่งสมาธิแล้วมันรู้แล้ว มันมีความสุขแต่พอไปเที่ย ว, ก, วนะ ก, ก็ปัญญาทำายความสุขที่ได้จากการนั่งสมาธิแล้วมันก็รู้ว่าความสุขที่ได้จากการนั่งสมาธิมันดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวมันก็เลยต้องเลือกครับรักที่เสียได้น้องไม่ได้คือจะเอาร้อนหรือจะเอาเย็นจเจ้าแบบทั้งร้อนทั้งเย็นมาผสมกันมันก็อุ่นๆไม่มีรสชาติไหนเจ้เอาเย็นก็เย็นไปเลยจะเอาร้อนก็ร้อนไปเลยแต่ร้อนนี่มันเผาใจอย่างเนี้ย ใจเยนที่มันทำมาจากเราชุ่มชื่น ม, มีความสุขก็เราต้องเอาทำเองทำเองไม่ต้องมาบวชท่านเลยเพราะการบวชนี้จะไดจะ้จะได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่เลยเพราะอาชีพของนักบวชก็คือการปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาเนี่ยงานของพระคือศีลสมาธิปัญญาพระพเจ้าไม่ให้พระไปทํางานอย่างอื่ไม่ไปก่อนไม่ไปสร้าง กุติที่อยู่อาศัก็อยู่ก็ตามมีตามเกิดตามคนมากกระดานถ้าใครอยากมีศรัทธาสร้างกุติให้อยู่ก็อยู่ได้ทำไกันนะแต่ไม่พาไปสวียนหาสร้างกุติเองเสียเวลาไปสร้างเรืนใจดีกว่าเรืนใจสําคัญกว่าเรือนกายเพราะร่างกายนี้อยู่ไปแค่แปดสิบเก้าสิบปีก็จบแต่ใจนี้มันไม่มีวันจบใจมันไม่ตายถ้าใจยังไม่มีเรืนใจมันก็จะวุ่นวาย มันก็จะไม่มีที่พึ่งไม่มีที่หลบพันธยนพระเจะาทรงเน้นให้สร้างที่เงินใจอย่างเดียวด้วยศีล ส, สมาธิปัญญาพวกเราก็ต้องพิจารณาดูนะโอกาสที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ได้เจอ พ, พระพุทธศาสนาอย่างนี้มีไม่มากนะอาจจะนานานสักครั้งง อยากปล่อยให้อากาศนี่มันหลุดลอยไปพยายามพยาามปฏิบัติไปอย่างน้อยก็ให้จงเลี้ยสติอยู่ใช้ชีวิตประจํำวันอยู่เรื่อยๆให้มีสติยืนใจไว้ไม่ให้ลอยครรอยมาเพื่อเวลาเวลาเรากลับบ้านไปนั่งสมที่มันจะสงบได้ง่าพอได้รับความสงบครั้งเดียวแล้วมันจะมันเหมือนตาติดติดเบ็ดเลยเนืเหมือนเหมือนว่าเติดนมนะเหมือนจะไม่เมันจะไม่ลงมามันจะไม่ตกลงมา มันจะบินไปกับการปฏิบัติเพอมันไดสมาที่ได้ความสบงบเป็นครั้งครั้งเดียวนั้นมันจะติดใจมันจะเบื่อหนายกับความสุขอย่างอื่นแล้วมันก็จะเริตานน้ำอยู่ที่ตัวสตินีสําคัสมาต้องพยายามจะเรามีโอกาสที่จะนัียนสติได้ทั้งวันเต็มตลอแต่เราไม่ค่อยใช้โอกาสอันอันดีนี้มาเราปล่อยให้มันเหมือนกับน้ำน้ำปลาปลาที่เราเปิดไหลทิ้งไป ไม่หาภาชนะมาลองแลยเอามาลองไว่เสียหาภาชนะมาลองว่าเราจะได้มีน้ําใช้ในเวลาที่น้ํามันไม่มีนะถ้าจะเรียสติไปเรื่อยๆพอเรามีสติแล้วเราก็จะไม่ลาําบากร่างกายจะแก่จะเป็นยังไงก็ปฏิบัติได้เพราะเราปฏิบัติที่ใจของเรามีสติแล้วเราก็จะเริ่มปฏิบัติได้เสจ็บไข้ได้ปวดน่อา้าดนเตียงก็ปฏิบัติได้ ควบคุมความอยากต่างๆนี้ท่านเองไม่ให้มันมาสร้างความทุกข์ให้กับเราก็ต้องมีสติเป็นตัวคอยควบคุมนะก็อขอให้เราพยายาม่างที่หลวงตาเล่าบอกว่าให้ชั่วไม่ถอยนะถ้ถอยแล้วมันจะถอยไปเรื่อยๆมันจะไม่ไมก้มามหน้า น้อก็ถ้าไม่เจ้าหน้าแต่ไม่ถ่ายก็งไม่ถ่ายถึงไปปฏิบัติได้ใหท่าไรก็ปฏิบัติถ้าเท่าเท่าเดิมไปก่อนเดี๋ยปฏิบัติให้น้อยกับเดิมเดี๋ยวทำให้น้อยกว่าเดิมรักษาการปฏิบัติของเราในระดับเดิมให้ได้แล้กนใครมีจะถามปัญหาอะไรไหม อาจารย์นิรัยไม่ต้องอยากออกบวชทุกปีใช่ไหมยังไม่อยังไม่ไม่ยังไม่ออกบวชทุกปี เ, เอามานทุกปีนึงก็ยังได้ทนลอนฝ่ายก็ได้ไม่ต้องออกบทตลอดคือเราอยาบางทีเราไม่แน่ใจว่าเราจะไปได้ต ล, ลอดรอกถังเี้ตอนเราก็ลองใจเราว่าเอาแค่เราที่เรนแล้วแค่ปีเดียวก่อนแต่ถ้าเราตั้งใจปฏิบัติจรนะิงๆแล้เอามันปฏิบัติได้แล้วมันไม่กลับมา ยังเราบวชแล้วก็แล้วก็คิดอย่างนี้ว่าเอาปีต่อปีก็แล้วกันพอหมดปีนี้แล้วก็ทําสัญญาต่อปีน้เราอย่าไปอย่าไปซีเรียสว่าบวนแล้วไม่เสร็จอะไรนี้มันบางที ม, มันอาจจะไม่ถูกกัจริลิศขอเราก็ได้มันก็หลอกกิเลยสไปว่าเอาขอปีต่อปีก็แล้วกันทำสัญญาปีต่อปีแล้วไม่รู้นะจัลิตั้งกระแสขอนยาจะเหมือนไม่เหมือนกัน บางคนต้องปิดประตูตีหมาเลยไม่มีทางออกเลยถ้าบวชแล้วก็ไม่เสร็จเลยอย่างนก็ต้อง ก, ก็ได้นัด แ, แต่จะิดสองคนย่างคนเราเป็นลังเลสงสัยทางนี้ดีที่สุดแล้วะทางเดียวทางเอกทางที่เกษต ร, รไม่มีทางอื่นแล้วก็ทางที่สั้นที่เสุดรับที่เสุดแล้ ไม่มีนัดกันนี่น ะ, <laughs> ะเดี๋ยวเราอยู่เหมือนูไม่ถอยนะคะเีวาอยู่บ้านเหมือ น, นเจอนอจจะข <laughs> <laughs> อยไปอยู่บ้านเลอยู่บ้านขอไปอยู่นอย่าไปอยู่บ้านไเรื่อกั น, <c oughs> นีย ครับเนี่ยก็ทํามไม่ขนอดนอนครับอะไ อ, อ, อุบายนี่คือยังไงนะก็<อ>ายาวสู้ความง่วง ค, คือใช้สารเมดิการกคือว่าไม่นอนเอียหลังจะยืนเดินนะก็นั่งถ้าจะหลับก็ให้นหลับอยู่ในสารเมดิาี่ครับเพราะถ้ามราอยู่หลับในสารเมดิ ร, รนี่มันไม่จะหลับไม่นานเวลาร่างกายมันม่วงมากๆมกนัน็อาจจะนั่งหลับไปสักชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วมันก็น จ, ะจะตืน่นขึ้นมาแล้วถ้าเราไม่เอียงหลัง่างกายมันก็จะนอนไม่นาน แต่ถ้าเรายืนอย่งนั้นคือมันยาวห้าหกชั่วโมงที่ยัไม่อยากจะลุกขึ้นเ้วก็สาม ย, ย, ยา ม, มีนยาวแบบถ้าวุ่นจิตใจมนั่งสั่งลมไปพอมันสึกตัวขึ้นมาก็ลุกขึ้นเดินจุกรมต่อแล้วพอเดินจงกรมเมื่อน้นแล้วก็ลับมานั่งสมานั่งสมาธิต่อถ้ามันจะหลับก็ให้มันหลับอยู่ในท้านั่งเราจะได้ทําความเปรียบตอลอดเวลา อจะได้ไม่ไม่เสียเวลากับการหลับนอนมันก็ขึ้นอยู่กับจตใจบางบางคนอาจจะชอบถามวิริยาบทแต่บางคนก็ชอบการอยู่อาหามันก็แล้วแต่บางคนก็ชอบไปอยู่ที่เปลี่ยวๆที่น่ากลัวอยู่คนเดียวอยู่แบบคนอยากกัดแคลงหลวงปู่มานแม่นก็ไปอยู่ในป่าคนเดียว อยูกับชาวป่าชาวเขาอาหารการกินก็ไม่สมบูรณ์แต่ท่านก็มีมีสิ่งน้อน้องที่จะสนับสนุนการภาวนาแล้วปฏิบัติต้องเดินตายต้องนอนจะดินกินกนรายได้ต้องไม่ไม่ไม่ยึดติดกัเรื่องเรื่องการอยู่การจริงมากเกินเกินไป ไม่ยาตายต้องพิจารณาความตายอยู่เรื่อยๆว่าเกิดมาแล้วต้องตายไม่มีใครหนีพ้นความตายไปได้ขอให้เราเอาความตายนี้มาเป็นตัวคอยกระตุ้นให้เราได้ปฏิบัติทำเพราะว่าไม่ช้ากันเร็วเราก็ต้องตายขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เราก็เราก็มีโอกาสได้ปฏิบัติถ้าเราไม่มีปฏิบัติพอถึงเวลาตายเราก็หมดเวลาหมดโอกาสแล้ว เมื่อเรากลับมาเกิดใหม่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้เจอพระพุทธศาสนาหรือเปล่าแต่ถ้าเราปฏิบัติถึงขั้นที่มีดวงตาเห็นธรรมแล้วถึงแม้เราจะกลับมาเกิดใม่ไม่เจอพระพุทธศาสนาเราก็ไม่เป็นปัญหาครับเราก็เรามีพระพุทธศาสนาอยู่ในใจเรนะ า, า, านะเช่นพระเสดาจดานี้ถึงแม้กลับมาเกิดใหม่้็ไม่เจอไม่มีคําสอนอยู่ท่านก็ปฏิบัติได้ต่ อ, ตอเพราะท่านมีคําสอนอยู่ในใจ ท่นรู้มากแปดนะทานรู้อริยศัจสี่ท่านได้เข้าสู่กระแสคำว่ า, มมาโสดาวัลนี้ก็มาจากคำว่าโสตโสตภาษาบาลีเปานกระแสกระแสสุภนิพพานเหมือนกับขึ้นทางด่วนพอขึ้นทางด่วนแล้วก็วิ่งไปตามทางด่วนเดี๋ยวมันก็ถึงจุดหมายปลายทางที่ทางด่วนมันพาไปพอพอได้เห็นใจักแล้ว เห็นว่ามีการเกิดตั้งดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยมันก็จะมันก็จะได้ได้เข้าสู่กระแสละกระแสะนี้ก็จะพาผ่านขั้นต่างๆไปจนถึงขั้นสุดท้ายถึงจุดหมายปลายทางได้โดยต้องไม่ไม่ต้องมีใครมาสอนก็ได้แต่ว่าอาจจะช้าหน่อยเร็วหน่อยขึ้นอยู่กับความฉลาดของผู้ปฏิบัติว่ามีมีมากมีน้อยถ้าฉลาดมากก็เขจะบรรลุได้เลย ถ้าฉลาดน้อยก็ช้าหน่อยแต่ก็จะบรรลุได้เช่นเดียวกันพราะรู้ว่ารู้มีเครื่องมือแล้วมีใจรักเป็นเครื่องมือมีสติมีปัญญายิ่งถ้ายังไงก็ให้มันได้เข้าสู่กระแสได้อย่างดีถ้าไม่ได้อแล้วก็ใช้พิจารณาความตายอยู่เรื่อยๆ อ, อันนี้คือตัวที่จะดูดดาวเข้าสู่กระแสเวลาว่าเกิดนารต้องดับเป็นธรมรมดา ทุกสิงทุกอย่างนีเกิดมีดับเป็นธรรมดามาลอยู่เรื่อยๆต่อไปมันจะไม่ยึดไม่ติดกับอะไรเพราะมันไม่อยากจะทุกกับสิ่งที่เราไปยึดติดนั่นเองเวลาเราไปยึดติดกับสิ่งใดเวลาเกิดคำดับไปนี่เราจะเสียใจหรือเพีงแต่คิดว่าเขาจะดับนี้ก็ไม่สบายใจแล้วแต่ถ้าเรารู้ว่าเขาต้องดับถึงไม่จะเกี่ยวข้องกันก็เกี่ยวข้องกันตายตามตามหน้าที่มีหน้าที่ดูแลกันไปก็ดูแลกันไปแต่ดับนี้ต้องดับแน่ ว่าใครจะดับก่อนนั่นเเขาดับก่อนหรือว่าดับดับก่อนหรือดับพร้อมกันให้ปัญญาพิจารณาความดับอยู่เรื่อยๆความไม่เที่ยงอยู่เรื่อันนี้แหละคือกุญแจที่จะพาให้เราเข้าสู่กระแสธรรมคนกลัวกันมากคนกลับไปคิดว่าคิดตรงนี้นะเป็นเรื่องการจับแช่งตนเองไม่จับแช่งผู้อื่นไม่ได้ไม่ได้แสบอกคิดไม่คิดเขาว่าต้องดับอยู่ดีแหละเราก็ต้องดับอยู่ดี นี้นถ้าเราคิดไม่ดับแล้วก็ต้อไม่ดับไปเใช่ไหมถ้าถ้าความคิดของเราวิเศษเนี้ยแล้วก็คิดไม่ดับไม่ดับเราก็จะอยู่ไปตลอดมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันจะดับไม่ดับมันไม่ได้เกี่ยวกับความทุกของเรา<ม>แต่ความทุกข์มันจะดับถ้าเราคิดถึงเรื่องความดับของสิ่งต่างๆเพราะเราจะได้ไม่ไม่ผูกติดอยู่กับสิ่งต่างๆนั่น<ม>พร้อมที่จะให้เขาดับ<ม> น, น, นี่คือคุณแจ ตารักอ น, นิจจงอ น, นิจจงแล้วก็อนัตตาถ้าเห็นอ น, นิจจ์อนัตตาแล้วก็ปล่อยวางตามความจริงได้ก็จะไม่มีทุกข์ังถ้ามีทุกข์ังก็แสดงว่ายัางไม่ปล่อยพอเรียกพอเลยค่ะ ให้โอกาสแนี่ยนงขันใจมีใจให้อง